มีความเข้าใจนิดหน่อยว่าเรามาที่นี่มาหาความตื่นรู้นะไม่ได้มาหาความสงบนะความสงบนี่เราเป็นกันตรงที่นั่งสมถะมานานแล้วแต่การตื่นรู้นี่หมายถึงว่าเราจะทําไงตื่นรู้ต่อตัวเราเองเหมือนเราเพิ่งตื่นนะนะเราหลับมานานหุวันนี้เราเดินหลับแล้วก็นอนหลับโยมเคยเดินหลับไหม นะไม่ใช่เดินหลับแบบนี้นะะคือเดินไปเรื่อยแต่ใจไม่อยู่ตรงนี้ใจมันคิดไปเรื่อยๆอ่ะอันนก็เดินหลับนะอกลางคืนว่าฝันลางวันว่าคิดอ่าแต่ก็เป็นหลับเหมือนกันหลับแล้วก็ฝันไปตอตื่นขึ้นมาจนกลางคืนเนี่ยหลับกายแต่ทั้งวันเนี่ยหลับใจเข้าใจไหมกลางวันเนี่ยหลับใจแต่กายตื่นแต่ใจหลับเพราะไม่ได้อยู่กับตัวเอง แต่มาที่นี่เราจะตื่นทั้งกายทั้งใจคือหมายความว่าเราจะไม่ฝันกลางวันกลางคืนก็จะนอนให้หลับแ้่ก็ไม่ฝันกลางวันก็ไม่คิดกลางคืนก็ไม่ฝันกลางวันก็ไม่คิดแต่ใช่อะไรใช้ความรู้พวกอันนี้เราไม่ได้ใช้ความรู้นะเราใช้ความคิดปัญหาเรื่องเกิดไงถ้าใช้ความรู้เนี่ยไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่คนเราสแสวงหาความรู้แต่ไม่ได้ใช้ความรู้แต่เราใช่อะไร ใส้ความคิดโยมวันนี้ความคิดกับความรู้ที่ต่างกันยังไงความรู้กับความคิดต่างกันยังไงความคิดคิดไปเรื่อยไปเรื่อยแต่ถ้าความรู้ความรู้หมายคขาว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งไหนที่เราทําได้สิ่งนั้นเรียกว่าเป็นความรู้สิ่งไหนที่ทําไม่ได้สิ่งนั้นเรียกว่าความคิดอ่ามีวันหนึ่ง เราทำในสิ Gabriel, ่งท like like ี่เราคิดเนี่ยกับแล้วก็แล้วก็คิดแล้วก็ทำไม่ได้เนี่ยอันไหนเยอะกว่าหนึ่งคิดแล้วทำได้สองคิดแล้วทำไม่ได้อันไหนเยอะกว่าคิดแล้วทำไม่ได้ม่ได้เยอะกว่านั่นแหละเขาเรียกว่าความคิดแต่สิ่งไหนที่เราคิดแล้วทำได้นั่นเรียกว่าความความรู้อ่านี่คือเราจะมาใช้ชีวิตแบบนั้นในสิบวันนี้นะเราจะมาใช้ความรู้แทนความคิด แล้วผู้ริเจ้าพุทธะไปว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีผู้คิดไหมมีผู้สงบไหมไม่มีไม่มีนะฮะแต่ถ้าเราชอบใช้สงบแล้วก็ใช้ความคิดเวลาคิดหนักก็มานั่งสงบหลับตาอ่าพอหลับตาได้แล้วก็ตื่นขึ้นมาได้ความคิดใหม่ก็คิดต่อไปอีกพอคิดจนเมื่อยแล้วก็มานั่งหลับตาอ่าพอได้เหนื่อยหน่อยอ้าวพอตื่นแด้ว คิดอีกแล้วอันนี้คือความจริงใช่ไหมแต่ทำไมเราจึงไม่ตื่นนะเราหลับตลอดเพราะนั้นพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าท่านเนี่ยเป็นไก่ตัวแรกอ่ลองลองดูนะก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวยกลงตัวมาหน่อยยกก้มลงยือนขาหลังลงยือนขาหน้าลง ลองนั่งขึ้นตัวดูไหมนั่งนั่งคึ่งตัวยืนขึ้นตัวยืนขึ้นตัวมีรถมีชาตินีนะคือในช่วงสิบวันน่ะเราจะมาเรียนเรื่องเหล่านี้แหละไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวเรียนเรื่องใกล้ๆตัวนี่แหละแต่ทําให้มันชนานํานาญสมมตินั่งนานสบายไหมไม่สบายใช่ไหมยืนนานสบายไหมไม่สบายเดินนานสบายไหม นอนนานสบายไหมสบายอ้าถ้าดีสบายทําไมไม่นอนถ้งวันเลยอ่ะนอนตั้งคืนอ่ะนอนตลอดเลยไม่ต้องตื่นอ่ะถ้าสบายนะแต่ทําไมต้องลุกขึ้นมาล่ะก็เพรามันไม่สบายเอออย่าว่านอนสบายไม่ได้ถ้านอนสบายนี่แบบเขามานอนกันตั้งคืนตั้งวันไม่ต้องทำอาหากินอะไรเพราะมันสบายแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแสดงว่านอนก็ไม่สบายเหมือนกันใช่ไหมอ่าเราก็นั่งลงทีนี้อันนี้คือเบื้องต้นเราจะต้อง ทำให้สบายซะก่อนถ้านั่งเวลวมันปวดมันเมื่อยมันเด็บมันชาเนี่ยมันไม่สบายไม่สบายก็ต้องทำให้มันสบายนี่ก็เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นนะแต่ถ้าหากไม่รู้ไม่ตื่นก็นั่งแช่าบางคนขยับไม่ได้เนยนะลุกขึ้นไม่ได้เลยขาเป็นเน็บเป็นชาเดินไม่ได้เลยนี่แสดงว่าหลับนะไม่ได้ตื่นเลยถ้าตื่นต้องรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับตัวเองใช่ไะอ่า ความไม่สบายก็เปลี่ยนเท่านั้นเองไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมอะไรนะแต่ทำไมเราปล่อยให้ตัวเองแขนขายึดนะอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆแต่แต่เราลืมไปเท่านั้นเองแต่จะทำยังไงให้ให้มันให้มันเคยอ่ะเคยในการแก้ความทุกข์อ่ะไม่ใช่เคยในการที่จะไปเอาความสุขนะเราแก้ความทุกข์ไม่ใช่เพื่อเอาความสุขแต่เราแก้ความทุกข์เพื่ออะไร อ่า ไ, ไปเลยเพ so. so. uh. ah, ื่อไม่มีทุกข์นะฮะไอ้ความไม่มีทุกข์นี่จําเป็นต้องสุขไหมสุขมันกมีทุขนะอ่าถ้ามีสุขก็ต้องมีทุกข์ใช่ไหมเพราะสุขมันคู่กับทุกข์แต่ถ้าไม่ทุกข์เนี่มันคู่กับอะไรถ้าไม่ทุกข์เนี่มันคู่กับอะไรอืมไม่ทุกข์เนี่ยมันไม่มีคู่อ่านั่นน่ะเขาเรียกว่ามันไม่มีคู่นั่นแหละมันเอกภาพมันเป็นนิพพาน ความไม่ทุกข์นั่นคือนิพพานนะแต่ความสุขน่นมันต้องเวียนไปทุกข์ความทุกข์ก็ต้องเวียนไปสุขใช่ไหมวันนึงก็เวียนอยู่สองอย่างเนี่ยพระุทธเจ้าบอกไม่ต้องเอาสุขไม่ต้องเอาทุกข์เอาอะไรเอาไม่ทุกข์อันนี้อันนี้ละทุกข์ไงนี่ใช่ก็อันนี้ละทุกข์นี่ละทุกข์แปลไม่ทุกข์นะเราจะเอานี่ละทุกข์ไม่ใช่เอาเป็นผู้สุขไม่เอาเป็นผู้ทุกข์ที่จะเอาอย่างไรอ่าเมื่อกี้เราสมาทานศินกันไปรู้สึกตัวไหม สมรทานศีลแบบวิปัสนาเนี่ยเอาแบบไม่รู้สึกตัวเลยนะที่เราสวดไม่กี้ใช่ไหมปานาติปาต า, า, า, านั่นแหละเรารับศีลไปเรียบร้อยแล้วใครเผลอบ้งอางเผลอแล้ว <c oughs> ไม่มีสติอา่ า, อ า, อาพระพาสาวดไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมปานาติปาตาเวรมณีาาสิขาประทังสมาทิามิฆะพระเจ้าขอสมรทานกดเว้นจากการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์ เออเรามาวัดนี่เราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปเป็นสัตว์ที่ไหนทําไมต้องรับเลยล่ะเราเป็นคนหรือเป็นสัตว์บอกว่าเราเป็นคนคนกับสัตว์ต่างกันยังไงอันนี้สมมุตินะพระุทธเจ้า ใ, ใช้คำว่าสัมภพรสัตว์ทั้งหลายไม่ได้บอกว่าคนนะสัมภพรสัตวทั้งหลายคำ ว, ว่าสัตวนะแปลว่าผู้ค้องค้องหล่องอะไรค้องในอารมณ์สองอย่างค้องในอารมณ์สองอย่างจําได้ไหมทุกค้องทุกวัน ข้องในอารมณ์สองอย่างคือข้องในความพอใจและไม่พอใจอความชอ บ, ชอบและความไม่ชอบความรักกับความชังความสุขกับความทุกข์ความสบายและไม่สบายความดีและความชั่วห้องแค่ของสองอย่างแต่มันเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆแต่มันก็จริงๆแล้วก็มีแค่สองอย่างแค่นั้นแหละมันเปลี่ยนหน้าเป็นร้อยหน้าพันหน้าใช่อ สองอย่างเนี่ยความพอใจเมื่อไหร่เปลี่ยนหน้าเป็นนรกเปลี่ยนหน้าเป็นสวรรค์เปลี่ยนหน้าเป็นบุญเป็นบาปเป็นหน้าเป็นกุศลอกุศลเปลี่ยนหน้าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นหน้าเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่าใช่ไหมเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยเรื่อเป็นร้อยหน้าพันหน้าแต่มันว่าแค่ของสองอย่างอ่าเพราะฉะนั้นมันถึงข้องผู้ใดที่กาลังจะออกจากของสองอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ดใหม่เรียกว่าโพธิสัตว์ เรามานี่เรามาบเพ็ญจนเป็นพระพุธดิสัตว์นะคือผูธดิสัตว์นี่ข้องในความรู้แต่ถ้าว่าเป็นสัมภัสสัตว์นี่ข้องในทุกเรื่องคนใช้สัมภัสสัตว์ใช่แต่เราจะออกจากสัมภัสสัตว์มาเป็นโพธดสัตว์สัตว์นี่ข้องในความรู้อ่าแต่พอขึ้นเป็นพ้นจากผูธดิสัตว์ท่านใช้คาว่าอาริยบุคคลอ่า พ้จากความเป็นสัตว์ล้เรียกว่าอารียบุคคลอาเรียบุคคลไม่ใช่คนนอนหนูแล้วทีเนี้เป็นคนอะไรอเรียบุคคลเป็นคนเลยคนลออิงเขียนหรือว่าอารียบุคคลนะ่ะคนในคนนอนหนูนะนเพราะนั้นเคยเขียนคนมาจากคําว่าคนมาจากคําว่าละคนปนเปกันละคนไปละคนมามันตัดเลือคําว่าคนแปลว่าละคน นอหนูอะคอนเนี่ยหมายความว่าในคนเนี่ยมันมีสัตว์อยู่สองตัวเออคออะไรคอควายแล้วก็อะไรเพราะฉะนั้นคนมีสัตว์อยู่สองตัวในตัวอยู่ควายกับควายกันหนูควายกันหนูมีควายกันหนูนั่นแหละคนอยู่เออเรก็เป็นคนเนี่ยมีสัตว์อยู่สองตัวในเราทุกคนนะคอควายกันนอน แต่บุคคล น, นี่ประเป็นบอใบไม้กับข้อค<อ>วายก็รอลิงงลิงขี่ควายแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าถาว่าคนนี่แล้ว่าคนขี่ควายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านี่เป็นสมมุติภาษานะดังนั้นถามว่าเราไม่เราเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ใน มีมีประเภทหนึ่งศรัทธาสองสัตวะสมสัจจะใช่สสัตอะไรสัตยะมีสี่สัต์ด้วยกันเราฆ่าสัตไหนบ้างสัตวะนี่ไม่เคยฆ่าเลยใช่ไหมอ่าศรัทธาเนี่ยฆ่าศรัทธาของตัวเองเช่นเราจะเออวันนี้จะไปจะมาปฏิบัติศรัทธาอยากปฏิบัติใช่ โอ้เอาไปมาบอกมาไม่ได้ไม่มีใครดูแลหลานไม่มีใครดูแลคนป่วยหลายคนตั้งใจจะมานะงานเนี้ยมาไม่ได้ก็หลายคนใช่ไหมเห็นโยมนั่งคุยกันคนนั้นก็จะมาโอ้มันมาไม่ได้มันติดน น, นั้นน่ะศรัทธาเลยถูกฆ่าไปแล้วอะไรฆ่ามันมันฆ่าไปแล้วศรัทธาที่จะมีอยู่นี่ฆ่าศรัทธาตั้งใจว่าจะมามาไม่ได้อีกฆ่าตัวที่สองเป็นสัตว์อะไรฆ่าสัจจะเออฆ่าสัตว์ อ, อ่า ข้าศัทธาข้าศัจจ์ข้าสัตวะนี่ไม่ไฆ่าอันที่สามข้าสัตยาคำว่าสัตยะกนะ็ความตั้งใจอธิษฐานใจว่าจะอยากจะมานี่นะแต่ไม่แรงพอก็ถูกมารฆ่าไปเรียบร้อยด้วยสองสามตัวเพราะฉนั้นแต่เรามานี่เราไม่ได้ฆ่าสัตว์เลยใช่ไหมศัท ธ, ธาเร า, า, า, าก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้ไม่ได้ฆ่าสัจจะก็ไม่ได้ฆ่าใช่ไหมนี่ ที่เรามานี่ก็าเรียกว่าเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์ทั้งนั้นเลยรักษาได้ไหมข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์แต่ว่าเราอาจจะยังเบียดเบียนสัตว์คือห ม, มายของว่าเรานั่งเนี่ยบางครั้งเราเผลอเผลอนั่งนานเราตั้งใจว่าเราจะต้องการสุขหรือต้องการทุกในใจเรานะ่ะต้องการสุขใช่ไหมต้องการไม่ไม่ไม่ทุกเดียว่อะอย่าว่าสุขอะ่ะ ต, <laughs> ต้องการไม่ทุก <laughs> แต่นั่งแล้วมันทุกอะ่ะ แสดงว่าไปไเป็นไงเบียดเบียนเรียบร้อยแล้วเบียดเบียนตัวเองนั่งแล้วนั่งแล้วเบียดเบียนตัวเองคือนั่งแล้วมันมันทุกข์อ่ะที่ที่จะทำไงให้มันไม่ทุกข์อันนี้แหละถึงจะต้องมาเจริญสติอยากจะมาให้พิสิทธิข้อหนึ่งต้องเจริญสติพิสิทธข้อสองว่าไงข้อสองอ่ะ ทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามิไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่อนุญาตมีการลักขโมยเป็นต้นมาที่นี่เราลักของใครไหมลักเงินลักทองลักเข้าลักของไม่มีใครลักอะไรมาแต่ลักในที่นี่คือลัก ในสิ่งนี้ของเขาไม่อนุ ญ, ญาตเนี่ยเออะอาจารย์ปรสันมิกี้ผมต้องบอกทุกคนมิกี้ไปหาดิกชันนี่ที่ห้องนั้นไม่มีผมเลยตามไปหาที่กุฏิพระอาจารย์หาไม่เจอเห็นหลิกเลื่อมใหญ่ของอาจารย์ผมเลยถือมาเลยไม่ได้รักนะฮะยืมมาได้ไหมขออนุญาตเดี๋ยวอาจารย์ไปหาไม่เจอให้ใครลักดิกชันนี่ฉันไปไหนข อ, อยืมมาดูมาดูเขาว่าไอ้สติเนี่ยมันหมายความอะไรได้บางภาษาอังกฤษเนี่ยนะ โอ้หลายความหมายทีเดียวหลายความหมายแปลว่ารู้ตัวแปลว่ารู้สึกตัวแปลว่าจดจำแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมแปลว่าระลึกได้แปลว่ารู้ชัดแปลว่ารู้พร้อมแปลว่าศึกษาได้หมดเลยตัวคาว่าสตินี่นะก็เลยเราจะมือศึกษาตัวนี้กันนะที่เราก็เลยว่าต้องไม่ต้องลักขโมยตัวเองอะไรบ้างที่เป็นทรัพย์ อ่าของของเราทีเป็นทรับใช่ไหมเวลานี่เป็นทรับไหมเ ป, เป็นใช่ไหมอ่าเราต้องตรงต่อเวลาไม่ต้องขมโมยเวลาของครูบาอาจารย์นะพระอาจารย์ประสันบอกว่าต้องมาอ่าเวลาแปดโมงนี่นะถ้าสงมงวแปดโมงครึ่งนี่เราขโมยเวลาไปเท่าไหร่ละสามสิบนาทีคร <laughs> ึ่งชั่วโมงเออถ้าแตา่คนไทยนี่ไม่ค่อยเจริญเพราะชอบขมโมยเวลาคนเอเชียของเรานะเลยจนนี่ไง แต่ทางประเทศหลายประเทศที่เขารวยเพราะเขาไม่ขโมยเวลาเขาตรงต่อเวลานี่เราเรากินเวลาอานัดประชุม9ก้าโมงมาเก้ามงครึหรือสิบโมงนีเนี่ยแต่ถ้าหากว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วอนัดเวลาประชุม9ก้าโมงเขามาแดโมงห้าสิบห้าก่อนจุดโมง5นาทีนี่เขาไม่ขโมยเพราะฉะนั้นมานี่เราอย่าขโมยเวลานะ แต่โอ้โหพวกนี้พระอาจารย์นัดตื่นทีสี่คืนนี้นอนนอนดึกก็จะตื่นจะนอนสีท่ท่มจะตื่นไหวไม่ทีสี่เนี่ย<ว>อถ้าไหวนะวก็เราก็จะไม่ขโมยเวลากันแต่ถ้าจําเป็นต้องขโมยเวลาจะทำไงขออนุญาตอขออนุญาตเอขออนุญาต อ, อาจารย์ขออนุญาตต่ อ, อยสักชั่วโมงนะไม่ไหวจริงตื่นไม่ไหวนะเับ<อ> เออขอขอก่อนถอนนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ขโมยนะขออนุญาตเรียบร้อยแล้วส่วนท่านอาจารย์จะอนุญาตไม่อนุญาตเป็นเรื่องของอาจารย์เราขออนุญาตขอเวลาหนึ่งชั่วโมงครับแล้วผพอกเอาไปเลยแต่ถ้าใครขโมย น, นี่ไม่รู้ว่ตัวใครตัวมันก็เราฝีสีลเองนะนะตัวใครตัวมันนะข้อที่สามว่าไงข้อที่สามแต่ว่าเวลารับศีลห้าเราว่ากลางเมย์ใช่ไหม กามิสุมิชาจาราเวรมณีสิขาประทางสมาธิยามิแต่เมื่อกี้เรารับศีลแปดเราใช่อะไรอภรมมจริยาใช่ไหมอภรมมจริยาเวรมณีเราออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วเนเรื่องเรื่องกามละไม่มีละนะเตเทมวัดเนี่ยเป็นเรื่องของภูมาจันทร์ภูมาจันท์คืออะไรผุมาจันทร์คือความสะอาดกายความสะอาดใจความลึกสุดใจถ้าหากว่าศีลของ พระคือไม่ละเมิดพรมจรันพรมจรั์คือความบริสุทธิ์บริสุทธิ์3อย่างบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจถ้าหากว่าทางบริสุทธิ์กายนี่ไม่ได้หมายถึงอาบน้ำไม่สะอาดไม่ใช่นะทาบริสุทธิ์กายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผูกพิดในกามนี่แหละนี่เรียกบริสุทธิ์กายแล้วบริสุทธิ์วาจาคือไม่พูดปุดไม่พูดโอเสียดไม่พูดคนหยาบไม่พูดเฮ้ยเจอแต่เรามาวัดนี่หยาบส่อเสียดพูดเท็จพูดหยาบพูด่อเสียดนี่ไม่มีละ แต่ข้อสุดท้ายว่าไงเพยเจอโอ้ตัวนี้ห้ามรักษายากเหลือเกินเพราะฉะนั้นในสิวันนี้อยากจะให้รักษาศี่ข้อนี้ข้อเพยเจอรนี่พูด <c oughs> ปดนี่เราไม่ปดอยู่แล้วในวัดเนี่ยยามแล้ก็ไม่ดา่าไม่ท้อไม่ดูถูกไม่ว่ากันอยู่แล้วแล้วสอเสียดก็ไม่มีแต่เพยเจอเนี่ย <c oughs> อ่าคือหมายความว่าคำว่าเพยเจอรหมายความพูดเกินจําเป็น สมมติจะพูดสักสาคำเอาพูดสักสิบคำนะไปพูดจะ่ยี่สิบคำเนี่ ย, ยหลังจากเป็นคำที่สิถึงยี่เป็นเพื่อเชื่อหมดแล้วพีศีนแล้วแต่ถ้าตั้งใจว่าจะพูดสักสามประโยคเงี้นะก็พูดสค่หลายประโยคอันนี้ก็เป็นเพื่อเชื่อละอันนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นในสีข้อสีนี่มันมีสี่ความหมายพูดปดพูดโอเสียนพูดขยาพูดเพื่อเจื่อเอาข้อเดียวพอสีข้อสีนะเอาตอนเดียวพอคือ ประหยัดคำพูดหน่อยเราใช้คำว่าประหยัดเพราเราพูดมากมันเปลืองพลังงานมันต้องคิดเยอะมันต้องใช้พลังเนี่ยก็ทําให้เราละเมิดได้ละเมิดอะไรละเมิดตัวเองนะละเมิดทําให้เราล่วงเกินตัวเองหมายความว่าการคิดการพูดแต่ละครั้งเนี่ยแต่คนไทยคนลาวคนเอเชียของเรามันไม่รู้เป็นธรรมเนียมอะไรเห็นหน้าถ้าไม่พูดกันนี่ถือว่าโกรธกันนะ เอแต่เห็นหน้ากันไม่ยิ้มกันก็นถือว่ากลักันอีกอันนี้บางทีขนรรมรำเนียมมันเป็นเรื่องทําให้เราผิดศีลก็มีเราก็ต้องมาที่นี่เราเอาสีเนื้อกันวางทำเนียมไว้ก่อนอวางขนรรมทำเนียมพิีเอาไว้ก่อนแต่เอามาเอาศีนี่คือหมายเขาว่าเราจะระวังถ้าจะพูดก็ก็พูดน้อยๆถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องพูดถ้าจะเป็นก็พูดน้อยๆแล้วก็เบาๆพอรู้เรื่องกันก็โอเคแต่บางแห่งเขาไม่ให้พูดเลยนะ บอกว่าว่าเจ้าวัชีวิรัตไม่พูดเลยอันนี้ก็เกินไปแต่เราอนุญาตให้พูดแต่พูดเท่าที่จําเป็นพูดเบาเบาพอไม่ลบก้นคนอื่น mm hmm. ก็เป็นนว่ารู้กันนะวันนั้นหลวงพ่อไปเปิดเปิดอารมณ์ที่วัดป่าชิคาโกว่าสุดท้ายเป็นวัชีวิรัตบอกว่าวันนี้คนเป็นร้อยนึกบอกว่าวันนี้ให้วัดเงียบสักวันหนึ่งเหมือนไม่มีคนเลยคนร้อยนึกไม่เหมือนไม่มีคนทําได้ไหม ว่าทุกคนทําได้เลยนะวันนั้นปฏิบัติกันได้ดวงตาเห็นธรรมหลายคนเออพอมันตั้งใจแล้วมันก็โอ้เกิดขึ้นมาเลยนั่นก็แสดงว่าการรักษาสีเนะี่ยทำให้เกิดสมาธิทามันสมมติทําให้เกิดปัญญาเห็นความจริงเพราะทุกวันมันมีแต่ไหลออกไหลออกไหลออกใช่ไหมวันนั้นพอไม่พูดปับ๊บมันไหลเข้าอ่ะตัวธรรมะก็ไหลเข้าไหละเข้าไม่นานมันก็เต็มที่มันไม่เข้าถึงธรรมะสักทีเพราะมันมีแต่ไหลออกอ่ะไรไหล ตาก็มองแต่ข้างนอกไหลออกไปเรื่อยๆหูก็ไหลไปตามเสียงคนอื่นเรื่อยๆจมูกก็อาหารกลิ่นที่ดีอะไรอร่อยนะฮะอันนี้อร่อยก็ชิมก็โดมกันอยู่นะ่าไหลไปตามกลิ่นพรุ่งนี้จะมีอาหารอะไรก็นึ่แล้วก็รสสัมผัสก็ไหลไปความอบอุ่นโดยเฉพาะเรามาที่นี่อย่างที่พระอาจารย์ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราสะดวกสบายมานานเนี่ย มันทำให้เราติดสบาย <c oughs> พอเราติดสบายแล้วทำให้ชีวิตของเราอ่อนแอเพราะนั้นพอมาอยู่วัดเนี่ยท่านบอกว่าไม่ได้คิดว่าอะไรมันจะขาดจะเกินเพราะรู้ว่ามาปฏิบัติทำต้องมาฝึกความลาบากเพราะพระพุทธเจ้าลาบากมากกว่าเราหลายเท่าใช่ไหมท่านออกจากป่าท่านออกจาการาไปสารราชวังไปป่าเลยเนี่ยอันนี้เราออกจากบ้านก็นมาสู่วัดอะไม่ได้ลาบากอย่างท่านนะ ท่านออกจากว่าชวังไปสู่ป่าเลยมันจะลำบากขนาดไหนท่านลำบากกว่าเราเยอะไม่ต้องพูดถึงเรือขาดแคลนนี่มัขาดทุกอย่างแต่เราห้องน้ำไม่พอดีหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมอาบน้ำก็ช้าหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็เตียงนุ่มๆแอร์ดีๆพัดลมดีๆอะไรนี่ก็ขาดไม่เป็นไรเราก็สามารถมีที่นอนเพียบเลยเยอะแยะนะ แต่ถ้าหากว่าห้องน้ำห้องส้วมไม่พอก็รอกันหน่อยเท่านั้นเองก็ถือไม่ถือว่าขาดแต่ว่ามันไม่พออันนี้เราก็มาฝึกความลำบากแต่บางคนไม่เคยฝึกเนี่ยพอไปไหนที่ไม่ได้อย่างใจหรืขัดใจเลยนะเรื่องเดียวทําให้เสียอารมณ์ตลอดเลยนั่นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีน้ําก็ไม่พอน้ําอุ่นก็ไม่มีห้องน้ําห้องส้วมจะเข้าทันทีก็ไม่ได้ต้องรอคิวอะไรตรงนี้ก็หงุนหงิดอยู่ในใจอันนี้เรามาฝึกถ้าไม่ขัด ไม่เกลา้ามันก็จะไม่สวยจิตใจของเราต้องขัดต้องเกลา้ามานี่เหมือนมาทุดงทุดงไปเมาเขาในป่าของเราเพราะฉะนั้นในวัดในอเมริกาเนี่ยมาเพิ่งเห็นวัดเนี้ยที่มีป่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็เสียงรถไม่ค่อยรบกวนบางวัดเนี่ยเครื่องอย่างวัดธรรมรามเครื่องบุตรก็บินเข้างบนรอบๆรถดังครุ่มหมดเลยนะโอ้โหก็ปฏิบัติด้วยครามลำบากแต่พอดีมันมีห้องโถงอยู่ข้างในแล้วก็ปิด ทิดห้องถงเอาไม่ได้อีกคนหลายคนก็อึดอัดก็ต้องได้เปิดเป็นบางครั้งเอาพอเปิดประตูปรากฏว่าไอ้ลมมันพัดไอ้ยิ้วนะขเขาเรียกแคทเทอร์วูดอะปีว่วนหมดเลยก็เข้าไปอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นวัดเรามีความพร้อมที่สุดเมื่อไปเฉะนั้นเราก็จะไม่ละเมิดนะไม่ละเมิดพรมจันท์หมายความว่าอันไหนที่มันสบายเกินเนี่ย ก็อย่าไปให้มันสบายเกินไปอันไหนที่มันพูดเกินก็อย่าให้มันเกินอย่าไปละเมิดมากเกินไปอันนี้ในส่วนหนึ่งแล้วก็ข้อที่สี่ข้อที่ห้าพราฉว่าข้อที่ห้าสมรฐานงดเว้นจากการจากการเสพใช่ไหมเสพสุรามันมีทั้งสี่ความหมายนะสุราเมริยะมัชฌะปะมาทะนี่ ในข้อนี้เหมือนข้อส ข, ข้อ4ก็มีสี่ข้อหมายจะพูดปุดพูดเทสพูดสอนเสียพวกอย่าพูดเพเจอร์แต่ข้อห้ก็มีสเ่ข้หมายสุราเมรยะมัชฌะปมาทะสุรานี่หมายความว่าเครื่องดองของเหลาที่เข้มขน้นนะสุราเมรยะเครื่องดองของเหลวที่ไม่เข้มขน้นสาโทพวกเบียน้ำชากาแฟพวกนี้นะ มัจชะนี่ก็พวกกินแล้วเมาแล้วก็มึนแล้วก็ติดเช่นบุหรี่เฮโรอีนผงขาวกัญชายา마ยาขยันยาอียาไออะไรพวกนี้เป็นมัชชะมาครูบุหรี่พวกนี้นะเป็นมัจชะแล้วก็ประมาทอันนี้สําคัญตัวสุดท้ายเนี่ยสำคัญคือประมาทบางทีทั้งเล่าก็ไม่อินบุหรี่อะไรไม่เสพทั้งนั้นแต่ประมาดเดินไปเดินมาเผลอไปตีแก้วลมบงัง หรือเผลอทํานั้นตกทํานี่หลุดทํานี่ลุยเผลอลืมของบ้างอันนี้ถือว่าประมาทะ ห, หรือเผลอพูดไปบ้างเผลอคิดไปบ้างเผลอทําอะไรไปกระทบผู้อื่นโดยที่ไม่รู้ตัวบ้างอันนี้ประมาทะความจริงเรื่องนี้เป็นสินใจเลยนะข้อหเนี่ยเพราะฉะนั้นศินห้าข้อเนี่ยข้อห้าสำคัญที่สุดประมาทข้อเดียวข้อหนึ่งถึงข้อสีนี่ล่วงหมดเลยเพราะฉะนั้นสินห้าข้อห้า คนไหนเราจึงมาเจริญสติไงเพื่อที่จะไม่ประมาทนะข้อหจําำเป็นสำคัญอย่าลืมว่าเรารับสินข้อหแล้วเอ๊ะเราไม่ลืมสุราไม่ลืมอะไรเนี่ยไม่ใช่นะมันจะมีอีกสองข้อเนี่ยเราติดยานั่นติดยาเนี่ยประมาทด้วยอ้าวสินข้อ6วิการะโพชนาเวรมนีเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกา เออเรามาที่นี่ท่านก็ไม่ให้ฉันหลังเที่ยงอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ไม่ผิดศีลขอ้อนี้แต่ไม่ใช่คําว่าวิกฤวิกาลได้ไหมเขาว่าวิปริตผิดแปลกไม่ได้กินตามมือ้อหมายเขาว่าบางคนกินข้าวเสร็จแล้วน ะ, ะไปนั่งอาหารไปกินไปต่อข้างนอกอีกนะไปเจอข้างนอกกินต่ออีกบางทีกินจะไม่ถึงเสร็จทีแอบติดไปกินข้างนอกต่ออีกอย่างนี้เป็นต้นมาค่อ ก, กินทําำเพรื่อ กินเกินเวลากินเกินของแม้จะเป็นช่วงเช้าก็ตามแต่กินด้วยเลื่อยกินบ่อยๆมันอิ่มเกินเพราะมันอิ่มเกินมันก็เป็นเหตุให้เราเอ่า อ, อะไรละ่ะเป็นเหตุให้เราอึดอัดใช่ไหมอ่าเป็นทุกข์เพราะความอิ่มความหิวเนี่ยบางบัดง่ายกว่าความอิ่มเยอะนะเวลามาหิวขึ้นมาเราก็ไปดื่มน้ํำไปแก้วนึงเรียบร้อยละแต่ว่าอิ่มขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนอนอยังไงอยู่ยังไงก็ไม่มีความสุขเลยนะต้องไปทํานูน่นทํานี่จะเหงื่อแตก ความเพราะฉะนั้นชีวิตอย่าให้มันอิ่มเกินไปอามานะี่ต้อง ท, ทานไม่ให้อิ่มทานผักผลออกมาเยอะๆเพราะใกล้จะอิ่มก็เอาข้าวเข้าไปหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ออมาน้ําหนักอยู่ที่ห้าสิบตลอดเลยนะบวกลบไม่เกินสองถ้าตอนไหนที่ร่างกายไม่ค่อยดีหิวมากก็เหลือสี่บแปดช่วงไหนที่ว่าอุดมสมบูรณ์เกินไปก็ไม่เกินห้าบสแต่เป๊ะอยู่ที่ห้าสิบ ได้สบายหลือเบาไม่ต้องการอ้วนแต่เบากายเบาใจมีกําลังเบากายเบาใจถ่ายดีมีกําลังแค่นี้พอเบากายเบาใจถ่ายดีมีกําลังตอนเพราะฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาก็เราก็จะดื่มน้ําอันนี้พรุ่งนี้ที่เช้าจะมีนะอันนี้ข้อหใช่ไหมข้อ7จว่าไงนัทจะนี่ข้อเเยอะนะนัทจะคีตะ วาทิตะวิสูะทัศนะห้าอย่างเว้นจากฟอนลำขับร้องประคมดนตรีและดูการเล่นต่างๆที่ฟอนลำนัทจะขี่ตวทิตะวิสูกะทัศนาทั้งหอย่างพอเป็นข้อ8ก็เป็นมาลาคันทะวิเลปณนะทารณะมันดณนะ วิภูสนาธานาอันนี้6กเเว้นจากการอะไรประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทรงเครื่องแตง่งเครื่องย่องเครื่องรูปไายรูปทาเทาแก้มทาปากทาลิขทาคิ้วทานินทานี้ที่ให้มันประดับตกแต่งนี่นะอันนี้ก็ข้อ7เราไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องเหล่านี้แต่ในที่นี้สิ่งที่ประดับประดาเกินจําเป็นเพราะฉะนั้น ไปที่ไหนถ้าใครมีผ้าเครื่องหลวงพ่อก็ขอเก็บผ้าเครื่องไปที่ไหนถ้ามีโทรศัพท์หลวงพ่อ ข, อขอเก็บโทรศัพท์เพราะมันเคยจำเป็นทังนั้นนะนะแต่ว่ายังไม่เก็บตอนนี้นั่นพรุ่งนี้จะเอาบาดมาตั้งบางคนโหมีพระสมเด็จราคาเป็นแสนไม่กล้าออกจากคอเลยนะเนี่ยคุณเดินจงโกมาห้าวันคุณยังไม่ได้อารมณ์แลยเพราะจิตคุณไปห่วงอยู่ตรงนั้นถ้าหากว่าคุณไม่ออกให้หลวงพ่อนะคุณกลับไปนี่คุณไม่ได้เลย <laughs> เขาก็พอออกวันนั้นกัเป๊ะทำํำทำมาเข้าเลย พ่อมันยันกันพ่อพุทธลูกเข้าไม่ได้พ่อไปติดพระหลวงพ่ออยู่นั้นพ่อพุทธลูกพระ พ, พุทธเจ้าท่านไม่เบียดเบียนใครอยู่แล้วใช่ไหมพอมีคนอยู่แล้วท่านก็ไม่เข้าไปอยู่เท่านั้นเองพอพระพวกนั้นออกท่านก็เข้าไปอยู่อ๋ออันนี้สําขันเหมือนกันพรอพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการเข้าไปอยู่ซับอยู่ซ้อนเหนือใครใช่ไหม คนไหนอยู่แล้วในตัวของเรามีแต่หลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตาเต็มอยู่หมดท่านก็เดินหนีเลยพุทิย่ามาเห็นอ๋อวัดนี่มีพระอยู่แล้วฉันไม่อยู่แล้วฉันก็ไปแล้ะ <c oughs> อ่า น, นั้นคุณประจวบจําได้แกเป็นหัวหน้าไฟฟ้าเนะี่ยโอ้โหพระนี่สมเด็จนะหลวงพอ่อในองค์นี้เป็นแสนนะอันนี้รุ่นหนึ่งเลยนะอันนี้หลวงปู่ทวดเขามาให้สององค์ผมเขามาให้เป็นล้านนั่นนะ่นเนี่ยนี่แหละ โยมเดินมาสี่ห้าวันง่วงทั้งตลอดห้าวันเนี่ยไหมรู้ไหมเพราะอะไรก็เพราะว่าเนี่ยหลวงพ่อท่านอยู่เนี่ยผู้ที่เจ้าเลยไม่เข้างั้นเอาหลวงพ่อออกมาป <c oughs> <c oughs> ่ากฎว่ า, าพอหลวงพ่อออกมาวันนั้นเป๊ะเลยว่าแล้วนะเอากลับไปนี้ผมจะไปขายหลวงหลวงพอว่อเพราะงั้นเน่ยเอาพระที่ขายพระหมอทวาร น, นี่เหมือนกันโอ้โหเมื่อก่อนแกนเล่นพระเนะ่ แต่หลังมาพอปฏิบัติแล้วปฏิบัติไปมาพระหลุดหมดแกเอาผ้าไปขายเอาเงนินที่ขายผ้ามาสร้างช่วยหลวงพ่อสร้างวัดที่นี่จนเก็บแล้วแล้วตอนนี้นะอันนี้ก็ไม่ใช่มาขอพระโยมไปขายนะแต่หมายถึงตัวอย่างอ่าผู้นิยมจะใส่บาตรใส่ไม่ใส่ก็ไม่รู้อ่ะถ้าโยมไม่เอาผ้าใส่บาตรนะโยมนั่งห้าวันก็ง่วงอยู่หวันนั่นแหละเพราะผู้ดีเ้าไม่ยอมเข้าไม่ยอมตื่นน่ะนะอ่าอันนี้ก็ในข้อที่หอ่าข้อที่7ดคือ8ดให้ พยายามเอาเครื่องประดับตกแต่งถ้าคุณไหนเก็บบอกว่าแล้วกลัวหายมาฝากไว้ที่หลวงพ่อพ่อหลวงพ่อไม่ขโมยอยู่แล้วนะยังไงก็ถ้าเกิดว่าโยมลืมขึ้นมาหลวงพ่อเก็บไว้ให้อยู่แล้วโทรศัพท์อะไรต่างเรื่องโทรศัพท์จะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนนี่ไม่เคยไปแตะต้องโยมในเรื่องโทรศัพท์เลยนะพอจะลงมามาจะลงมาตั้งแต่ปีสองสอมาเนี่ยมาเรื่อยเรื่อย ีสิกว่าปีเนี่ยเอ๊ตอนหลังมาโยมมาได้สมวันก็ขอกลับแล้วมาได้สองวันก็ขอกลับโยมตั้งใจมาเจ็วันทำไมสองเขาโทรมาบอกว่าคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลอ่เขาโทรมาบอกว่าอ่าสามีโดนรถชนเขาโทรมาบอกว่าคุณแม่ป่วยเป็นอย่างนี้ดังนั้นเลยกลับกลางคันหมดเลยอ่า เพราะว่าเราทุกคนเนี่ยมีมารอยู่ติดตามอยู่กรรมวิบากกรรมเราธรรมดีดมันติดตามอยู่เพราะฉะนั้นมีวิธีไหนเมื่อเรามันรู้ว่าเราไปทําความดีอะไรที่ไหนจะได้เยอะๆเนี่ยมันตามเลยมันตามไปขวางมันตามไปขวางเพราะฉะนั้นการเอาเครื่องติดต่อทั้งหมดเนี่ยเป็นการตัดการสื่อสารของมาร ม, มันจะมาดึงเรากลักบ แต่พอเราเอาโทรศัพท์ออกปั๊บมันได้ทําเต็มที่ไมไ่กังวลใช่ไหมบุญมันก็เยอะคนที่อยู่ทั้งบ้านแทนที่จะเกิดป่วยไม่สบายเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่เป็นเพราะเราตั้งใจทําแต่ถ้าหากว่าโทรศัพท์อยู่ที่เรามไม่รู้เนี่ยไอ้ น, นี่มันมีสื่อสงสายสื่อเข้าไปเลยไปแกล้งคนที่บ้านให้เป็นนั่นเป็นปนีเ่เดี๋ยวมันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันกลับเองไอ้แล้วก็ขาดกระจุยเลยอันนี้เอามาก็วิเคราะห์ตามนี้ปรากฏโอ้จริงแต่หลังมาเอา้าหลวงพ่องานแรกหลวงพ่ออาบาตมาตั้งเลยนะ วันนี้ขอบินท่บาทเุณพ่อไม่บินเท่าบาทินเย็นได้งไงบินท่าบาทนั่นแหะหัวกองดวงใจของโยมเลยเอามาใส่บาตรด้วก็ใส่กันแล้ต้องต้องพูดให้ฟังเรื่องนี้ก่อนนะบางคนเข้าใจก็เอามาใส่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้ยเราต้องการป้องกันมารมารบกวนโยมสีเนี่ยมันจะรักษาไม่ให้มารมาลบกวนนะก็เลยรักษาสีลเพื่อป้องกันมาร ก็โดยมีอะไรที่มันติดข้องอยู่อะไรนี่ก็เก็บมาไว้ก่อนเพื่ออะไรเพราะเราอยู่นี่หลายคนเกิดข้องเราหายไปเนี่ยของมีค่าหายนี่นะบางทีจะลืมก็ไม่รู้หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครบวยแต่ว่าเราก็ไปสงสัยคนนั้นคนนี้มันก็บาปในใจแล้วแต่พอมารู้ไว้ที่หลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกข้าวิเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะเกิดอะไรขึ้นก็หลวงพ่อแล้วมีคนรับผิดชอบใช่ไหมแต่ถ้าของหายมานี่ไม่มีใครรับผิดชอบนะใช่ไหมแต่ถ้าทํามาอยู่ที่หลวงพ่อเนี่ยถ้าหลวงพ่อ ทำหายหนงพ่อรับผิดชอบพ่อขายวัดเลยกันนะสดใช <laughs> อ้อันนี้คือวิธีที่ศีลทั้งหมดนี่นะเพื่อป้องกันโยมนะเพราะฉะนั้นหมดเวลาพอดีหนึ่งนโะมงสี่ทุ่มแล้วเนาะเอามาก็ง่วงนอนเหมือนกันเนาะก็โอเคก็ถือว่านี่การปฐมนิเทศที่ได้กล่าวมาทั้งหมดก็เอาศีลทั้งแปดนะมาพุทธโยมฟังนะ แล้วก็เรื่องของเวลาต่างๆก็มีตารางอยู่นะั่นยมก็เอาไปอ่านกันแล้วกันว่าเราท่านพูุ้นี้ถึงจะต อ, อนทานข้าวแล้วถึงจะบินธบัติบินทบัติโทรศัพท์บินธบัติพระเครื่องนี้นะเอาเก็บใส่บาทไว้ก็ ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าโยไม่ได้ใส่บาตรหลวงพ่อก็แล้วกันนะ <c oughs> ต้องการใช้ได้บุญนะนะแถมบุญตรงเนี้เอาของมาใส่บาตรไว้นะบางคนก็บอกว่าหลวงพ่อหนูเอาไว้ปลุกพ่ไม่มีนาฬิกาปลุกเลยเอามาก็บอกว่าโยมให้นอนให้พอจะตื่นมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องเกรงว่าจะตื่นไม่ทันตื่นมาเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นแต่ตื่นแล้วขอให้ลุกตื่นแล้วจะไปนอนต่อไม่ได้อนอนให้พอนะเสร็จแล้ว เฮ้หลวงพ่อว่าเขามาใส่บาตรบางคนบางวัด no ที่ไปนะเขามาใส่บาตรเรียบร้อยเลยเอ๊ะทำไมเวลาตอนดึกดึกหรือเช้าๆเดินผ่านไปยังได้เสียงเงิ้งงิงงงงิงอยู่เอ๊ะเป็นเสียงคนพูดโทรศัพท์นี่นะน้ำมาก็มาถามในที่ไปชุมมานะเอ๊ะหลวงพ่อได้ยินเสียงคนพูดโทรศัพท์อยู่นะอ่าเพราะว่าใส่บาตรหมดแล้วทําไมยังเหลืออยู่เอาใครโทรยกมือขึ้น ก็ยกมือขึ้นเอ้าทําไมอ่ะหนูเอามาสองเครื่องเหมือนกันก็รู้วม <laughs> ก็ร่วามางานนี่หลวงพ่อจะยึดหนึ่งเครื่องแล้วก็เพราะฉะนั้นหนูก็มาสองเครื่องว่า <laughs> เอามีอย่างนั้นโอ้โหกี่เลรียโยมนี่มันแน่นอนจริงๆน <laughs> พอได้ยินกี่เสาว่าไปไหนเลยหลวงพ่อมีหน้าบา ท, ทุกที่หนูก็เตรียมมาเตรียมที่เหมือนกันมาใส่บาตหลวงพ่อ <laughs> โอโยมทำนี่เข้าท่าจริงๆนะแต่งานนี้คงไม่มีนะงานนี้คงไม่มีนะนั่นเองก็คิดว่าในแต่ละวันโยมจะได้ปฏิบัติธรรมแบบสนุกสนานไม่ใช่นั่งเครียดนั่งหลับนั่งห่วงนั่งง่วงนังง่ ง, ง, งเหงานะีามาจะเป็นคนไล่กิเลสให้นะ แต่จะไล่แบบไหนก็ไม่บอกนะบางทีอาจจะไล่แบบเจ็บๆก็ได้เพราะว่ากิเลสตัวไหนมันดื้อนะก็ไล่กระแรงหน่อยเท่านั้นเอง <laughs> ไม่ได้ไล่โยมนะไล่กิเลสนะฮะเราเราจะรู้ว่ากิเลสตัวไหนมันดื้อหลวงพ่อหมดแรงแรงเลยก็แล้วกันลนะระวังนะก็ขอมนมโทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะเข้าสู่กา ร, รเผชิญในการทําสงครามกับกายกับใจของเราเอง สงครามสงครามกับมารเขาเรียก ว, ว่าต่อสู้กับมารด้วยการใช้คุณธรรมของพระพุทธเจ้าสองประการนะคือที่พระพุทธเจ้าท่านเอาชนะมารได้คุณธรรมสองประการประการที่หนึ่งท่านเอาแม่ธรณีมาเป็นหุ่นจำลองคือเป็นสัญลักษณ์ของขันติอดทนทุกเรื่องมานี่ต้องอดทนทุกเรื่องอดทนเหมือนแม่ธรณีคือแผ่นดิน และสองอดทนไม่อดทนเปล่าต้องบีบมวยผมให้เกิดน้ําให้ได้นั่นคือให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความคิดในใช้ความรู้ตัวในการต่อสู้กับความ อ, าอุปสรรคต่างๆเราอดทนอย่างเดียวไม่พอบางทีต้องใช้ปัญญานะหมายความว่าเร า, าหิวเราไม่สบายเราอึดอัดขัดเคืองก็อดทนเอาไว้แต่ก็หาทางออกให้ถูก เรี่ใช่ปัญญานะแต่ว่าเราใช้สัญลักษณ์แม่ธรณีบีบมวยผมเ<ม>พื่อเป็นสัญลักษณ์คุณธรรมของสองประการคือขันติและปัญญาขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงได้เจริญในธรรมทั้งสองบทนี้จนสามารถเอาชนะมารและพยามานในงานนี้อย่างเด็ดขาดด้วยกันทุกคนทุกท่านทืน